อาจารามีอธิโคอัญตระดีวตาเกวลขปั ज ी त ตวนาอุบาสิตน นุปสงฆ์มีุปสงฆ์มิตรวาบรกวนังอบิวาติกาอีกมันทังอะท้าสี เคตวันเนี่ยนะมหาวิหารพย้อนอดีตใช่มประวานเล่าอดีตให้ฟังว่าสมัยพระวิปัสสีสัมมาพุทธเจ้าเศรษฐีที่ปรารถนาฐานะเป็นฐานะบดีเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางด้านของการให้ทานได้ถวายอิดทองคำปู 16บหกิโลเมตรถวายเชตวันก็ตรงนั้นแหละถ้าถามว่าพอมายุคพระพุทธเจ้าสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเศรษฐีปจิที่สร้างบารมีมาในฐานานี้ก็ใช้ผานทองคำปูเต็มพื้นที่เอาพอมาตามลำดาบอีกพระเวสภู แล้วก็มีเศรษฐีใช้ไม้เท้าทองคำเป็นตัวเราเนี้ยถวายอีกแล้วก็จะมาใช้อิดทองคำใช้รอยเท้าทองคำรอยเท้าช้างปูจนถึงเศรษฐีคือท่านสุทธตะเลื่อนาถาพินทิกาเศรษฐีก็ใช้เงินเนี่ยสิบแปดโกดปูฉะนั้นสถานที่ทุกย่างก้าวเนี่ยให้สังเกตดูไหมตอนที่เศรษฐี สุทัตตาเศรษฐีหรือนาถาพินติกาที่ตอนนั้นท่านท้อไม่กล้าเดินไปเพราะความกลัวไม่กล้าเดินไปฟ้อพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคลีคที่วัดเวรวนพราะจะย่างก้าเท้าไปเนี่ยตอนนั้นปิติหายแล้วความศรัทธาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราเนี่ยผู้ดูชนเนี่ยไม่แน่นอนนะให้สังเกตดูดีสถานที่แต่ละแห่งเนี่ยเราไปคิดจะกูศรัทธ า, าก็เกิดอย่างหนึ่ง ไปที่ตัดสลุสัทธาก็เกิดอย่างหนึ่งเห็นไหมไปที่พุทธเมตตาสาัทธาเกิดอย่างหนึ่งที่โพธิบรลังอนิมิสเจดีรัตนจงกรมเจดีเห็นไหมกระแสจิตของเราเนี่ยดูแลยากจริงๆขึ้นลงขึ้นลงกันอยู่เนี่ยเอาแล้วเธเนี่ยแล้วแต่คนจะฉลาดคิดแล้วคิดไม่เป็นน่ตก ศรัทธาก็ตกว่าเรามองไม่เห็นอัดเห็นคำสอนเจาะเข้าไปไม่ได้มันก็ตกตกตกแ้วเข้าแต่เข้ า, เ, ขาเรื่องอื่นมาแทรกเรื่องอื่นกลายเป็นใหญ่โตไปเลยพอไปที่ประสูตรออไปที่แสดงธรรมจกากศรัทธาขึ้นลงไม่เท่ากันพอไปที่ประสูตรแล้วมาที่นี้ความคิดก็จะเปลี่ยนไปตามลาดับแล้วไม่ใช่เปลี่ยนแค่เพ้อนี้ แค่เดินทางเนี่ยวิถีจิตก็จะเปลี่ยนตลอดมันจะมีความคิดที่โสกครกวิถีวิถีจิตที่โสกะปกเข้ามาแทรกหนาแน่นมากขึ้นถ้าคนฉลาดคิดก็สามารถขจัดไอ้วิถีจิตที่ไม่สะอาดทำความคิดให้สะอาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านบุนนั้นก็ได้ดิบได้ดีไปเข้าใจไหมว่าเป็นแบบนี้ถึงบอกแต่แรกแล้วว่าท่านทั้งหลายศรัทธาท่านต้องดูแลเอง ศรัทธาในพระผู้ทิภาคเจ้าเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลไปแล้วอย่าไปทิ้งเอาข้อมูลมาไขควนเราไปนั่งที่เจตวันเราไปเจาะดูว่าที่ตรงนี้เขาไปแสวงบุญกันในสมัยครั้งก่อนเนี่ยเขามาบรรลุธรรมกันเป็นแถวเป็นแนวทําไมเขากล้าให้วัตถุภายนอกเพราะวัตถุภายนอกนั้นเขาต้องการแลกอริยทรัพย์ภายในทรัพย์คือศรัทธาไงทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะ ซับคือความละอายต่อบาปซับคือความเกรงกลัวต่อบาปซับคือจ่าค่าคือการสละกซับคือปัญญาเขาต้องการอริยทรัพย์เขาต้องการสติปัฏฐานเขาต้องการสมรบัติทานอิธิบาทอินทรีิพรพาพุทธชงแล้วก็มักต้องการศีลสมาธิปัญญาเขาต้องการอริยทรัพย์ตัวนี้เข้าถึงกล้าแลกด้วยทรัพย์ภายนกเพราะก็เห็นว่ารัตนะ ทั้งหลายทรบทยับภายนอกทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ทัพย์สมบัติของเขาที่ถาวรอย่างแท้จริงเพราะมันไม่สามารถจะติดตามกระแสชีวิตของเขาไปได้ทุกๆุกภพทุกๆชาติแต่ความคิดที่เป็นบุญความคิดที่เป็นบาปเจตนาที่เป็นทานเจตนาที่เป็นศีลเจตนาที่กระตุ้นเตือนทําให้วิปัสสนาญาณทั้งหลายเกิดขึ้น เ, เจตนากรรมเหล่านี้ต่างหากที่มันจะเป็น มละดกที่จะติดตามกระแสชีวิตจะทำให้กระแสชีวิตของเขาในพัฒนาจากปุถุชนเข้าถึงอริยชนเป็นต้นได้แต่ถ้าเจตนาที่เป็นบาปที่เป็นไปกับโลภเจตนาที่เป็นกับความโกรธเจตนาที่เป็นกับความหลงมันก็จะไปเบียดเบียนไปตัดรอนกระแสชีวิตให้วิบัติให้ตกต่ำในอนาคต เรื่องนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดเนี่ยพูดเรื่องเจตนาที่ผิดกับเจตนาที่ถูกถ้าเรามานาทีนี้ถ้าเราใช้เจตนาที่ผิดพลาด er, ปรุงแต่งจิตประชุมจิตเป็นไปกับความโลภเป็นไปกับความเห็นผิดเป็นไปกับความโกรธเป็นไปกับความวิตกกังวลเป็นไปกับความฟุ้งซ<น ied>่านเป็นไปกับความลำคาญใจเป็นไปกับความวิจิกิจฉา ไปให้เจตนาเหล่านี้กลับไปปรุงสภาพจิตเหล่านี้ขึ้นมาสภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมามากๆในที่สุดจริงๆเ่สิ่งของที่เราให้ไปภายนอกมันเลยพลาดไงมันเลยพลาดไปเพราะเป็นให้เจตนาที่เป็นไปกับบาปอากุศลธรรมอลามกทำให้วิถีจิตที่ไม่สะอาดทำให้วิถีจิตที่สกปรกมันไหลอ ย, อยู่ในกระแสของชีวิต มันก็เลยออกมาจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาผิดพลาดสถานที่ที่ท่านนาถาใช้ทรัพ์ปูไว้18โกดแล้วสร้างวิหารอีก18โกดฉลองอีก18โกดที่ท่าน พ, พระเจ้าเชษเนี่ยสร้างซุ้มประตูไว้18โกดแล้วก็ถวายวิหารอีก แล้วก็ถวายต้นไม้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัง่งขบูชาทั้งหลายย้อนอดีตไปเจ็ดพระองค์ตั้งแต่พระวิปสัสสีสัมมาสัพทธเจ้าเป็นต้นมาจนถึงพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐีที่สร้างบา ร, รมีมาเพื่อพระาศาสดาเพื่อเป็นอุบาสกที่เป็นทานนบดีเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีกันและเขามีเจตนาเพื่อให้คนมาแสวงบุญเพื่อสง์ในเจตุรทิธเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยได้ไป เก็บอริยาซั์ของพระศ า, าสดาเพื่อให้พุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายได้ถือท่านเป็นแบบอย่างเป็นเนติเป็นตัวอย่างว่าเขาจเจริญบุญกันอย่างนี้เขาตั้งสำรับไว้ทุกมุมเมืองห้าร้อยอย่างละห้าร้อยห้าร้อยทั้งพระจะไปพระจะมาพระไข้พระภิกษุพยาบาลภิกษุไข่ ภาคันตุกะทั้งหลายเหล่านี้กลางวันก็มีน้ำปนนะเป็นต้นอย่างนี้หยกยาทั้งหลายเหล่านี้เขาไปฟังธรรมกันเป็นระยะระยะสัตว์ที่ได้บรรลุจากเชตวันมหาวิหารเนี่ยหาประมาณไม่ได้ที่เรานับแค่ชาวสาวัตถีอ่ะอันนั้นเป็นการนับเฉพาะประชากรในเมืองนี้ แต่จากเมืองอื่นที่เขาเดินทางรอนแรมมาเฝ้าพระศาสดานั้นออกพรรษาแล้วพระมากันเต็มมาเฝ้าขอกรรมฐานเออมลายงานก่อนจะเข้าพรรษามาขอกรรมฐานเบสเสร็จก็ออกไปประพฤติปฏิบัติตามหัวเมืองต่างๆออกพรรษาเบสเสร็จก็มาลายงานคุณธรรมว่าตนเองได้มรดกของพระศาสดาข้อนี้ข้อนี้ตนเองเป็นพระโสดาบันเป็นสกาทาคาเป็นนาคาเนี่ยพอมาเบสเสร็จเนี่ยนางวิสาขาก็ ก็คอยจ้องอนาถาปิณิกาเสถียรท่านเหล่านั้นก็คอยจ้องฟังท้าที่มากราพสารสดาหลังออกราษาก่อนจะเข้าภรษาก็มาขอกรรมาฐานขอฟังธรรมฟังธรรมจนเกิดความเข้าใจแล้วก็รีบไปขัดกล้าประพฤติปฏิบัติกันถ้าไม่ได้บรรลุเฉพาะพระพักท่านที่ได้บรรลุเฉพาะพระพักก็ดีไปถ้าไม่ได้บรรลุเขาก็ไม่หยุดเขารีบไปไข่ครควนในการเจริญทานกุศลศีลภาวนากุศลอย่างต่อเนื่อง พอเขาไปได้ก็ได้ได้คุณธรรมได้มักอย่างใดอย่างหนึ่งเวสเสร็จกลับมาเฝ้าพระศ า, าสดาพอไปเบสเสร็จแล้วเนี่ยบางท่านก็ไปตายซะก่อนเป็นมรณาภาพบ้างไปนิพพานบ้างกลับมาก็มาทูลรายงานพระศาสดาข้าแต่พระองค์พระเจริญภิกษุชื่อเนี้ไปแล้วตายแล้วสังขารร่างกายท่านแตกดับไปแล้วพบของท่านขาดไปแล้วเนี่ยถามบอกว่าคติของท่านควรเป็นเชไหนเนาะแลพระศ า, าสดา ก, ก็บอก หม อ, อท่านผู้นี้มีอันไม่ตกต่ําเป็นพระธรรมดาเป็นพระโสดาบันแล้วปิดอบายภู ม, แ ม, ม, มิแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตและไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อบายอสุรกายแล้วจะมีสุขคติเป็นไปในเบื้องหน้าเธอจักรรี่นี่ผ่านแน่นอนท่านผู้นี้เป็นสกาทาคาจะกลับมาในโลกใบนี้เพียงอีกครั้งเดียวต่อไปก็ไปแล้วสุดทาวาสหรือปรินิพานแล้วท่านผู้นี้ไม่มาเลยกามาภูมิแล้ว จะไปอยู่ในสุทธาวาสหรืออยู่ในรู ป, ปรภูมิเพราะท่านเป็นพระอนาคาท่านผู้นี้มีพพชาติขาดแล้วเพราะท่านเป็นรูปเป็นพระลรหันดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือแล้วพอรายงานอย่างนี้ท่านก็ตื่นเต้นอ๋อเพราะสถานที่เรานี่เองเราเคยถวายข้าวเราเคยถวายอาหารเราเคยถวายข้าวยาคูเราเคยถวายน้ําปาณะเราเคยถวายจีวร เราเคยสร้างกุฏิถวายท่านท่านเคยพักกุฏิที่เราถวายปราโมดปีติปัสธิความสุขก็เกิดขึ้นจากการคิดเป็นนะจากการคิดเป็นเห็นไหมเขาได้อะไรกันเขาได้บุญเงินสถานที่ตรงนี้จึงเป็นบอกเกิดให้มนุษย์และเทวดาพรหมทั้งหลายบรรลุหาประมาณไม่ได้ สูตรที่เกิดขึ้นเนี่ยพระธรรมที่ไหลออกจากพระโอษฐ์ของพระาศาสดาที่เชตวันมหาวิหารที่ปุพาลามที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยหาประมาณไม่ได้อย่างมากมายเพราะพระาศาสดาเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่โลกที่พระาศาสดาตรัสบอกนะเจริญธรรพิฆเวจริกังโหุชนะหิตายาปมหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปาย ดูก่อนภิกษจ์ทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์คือไม่ติดข้องในในสวรรค์ในพรหมแล้วทั้งที่เป็นของมนุษย์ไม่ติดข้องสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ธรรมอารมณ์ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมแล้วเธอเป็นผู้พ้นแล้วจากกิเลส จ, จากราคะเครื่องย้อมใจทั้งหลายความกำหนัดความยินดีแม้เราก็เป็นผู้พ้นแล้วภาษาสดาตลาสอย่างนี้ฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อทิฏฐธรรมิกกถาปรโยชน์เพื่อสัมปรายิกกถาปรโยชน์เพื่อปรมาทรรพประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขสุขระดับนู้นแหละนิพพานบรมสุขเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้นิพพานเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อให้ท่านเหล่านั้นนกระชาตหมอกในดวงตาของเขาเนี่ยออกจะได้เข้าถึงคําสอนเขาจะได้ไม่เจ็บปวดในชีวิตเขาจะไม่ได้คิดผิด ที่วิ่งกระเสือกกระสนกันเนี่ยทำผิดทำถูกกันอยู่เนี่ยโดยมากผิดมากกว่าถูกเราจะได้ไม่เคลื่อนพ้นผิดเราจะได้ไม่ยกพลผิดเพราะสัตว์ทุกวันเนี่ยเดือดร้อนกันด้วยทิฏฐิมันะรุ่มร้อนด้วยราคาโทสะโมหะเคลื่อนวิสติกายกรรมที่แสดงออกมาโดยมากก็มาจากจิตที่ผิดพลาดวจีกรรมที่เปล่งออกมา ก, ก็มาจากจิตที่ผิดพลาดมโนกรรมไม่ต้องพูดถึง โดยมากเป็นไปกับกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจือไปวันวันกายก็ประพฤติทุจริตไปใจก็โลภโกรธและหลงไปสัตว์เคขาเคลื่อนพลผิดเขายกพ้นผิดเขาบริหารจิตผิดเพราะเขาไม่รู้งั้นเธอจึงเที่ยวยาิกไปเพื่อประโยชน์แก่คนเหล่าเนี้ยไปบอกทางเขามารดกที่สถาคดบอกเธอเนี่ยเธอเอาไปบอกเข า, เาไปให้เขา เขาจะได้ไม่คว้าสิ่งที่ผิดพลาดเพราะเขาไปยึดติดอามิสสมรดกกันหมดแล้วเขาไปเขาคิดผิดเขาเข้าใจผิดในสังสารวัตเนี่ยเขามืดบอดเต็มไปหมดเห็นไหมเขาไปเข้าใจสิ่งที่มันไม่มีสาระว่างามว่าที่ยงวสุขว่าเป็นตัวตนจริงๆเขาพากันยึดโยงกันบิดเสรีว่ามันของเราอ่ะเห็นไหมว่าเก้าอี้ของเราผ้าของเราซัพย์ของเรานาฬิกาของเราแหวนของเรารองเท้าของเราบ้านของเรา พ่อของเราแม่ของเราเพื่อนของเร า, ออเรามันยึดยองหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงในผมผลเล็บันหนังของเรามันเขาหาทางออกไปได้เราคิดว่ามันเป็นความสุขที่สุดของชีวิตเขาฉะนั้นที่้องพุทธเจ้าประกาศให้เธอเป็นพระอริยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเธอต้องไปรีบบอกเขา เวลาเรามันน้อยเวลาพระศาสดาที่จะอยู่เหยียบโลกใบเนี่ยเหลือน้อยถ้าเธอมัวกังวลกับเอเสลีละมันเน่าเปื่อยอยู่เนี่ยประดุจดังไอสุนัขที่มันูกคอไอสุนัขเน่าเนี่ยเธอก็จับสิ่งที่ผิดพลาดก็มานั่งกังวลกับเอเสรีละว่าเราจะป่วยบ้างเราจะตายบ้าง เราจะเจ็บบ้างเราจะทรมานบ้างก็ไม่กล้าจริงๆที่จะปล่อยศรัทธามาในพระธารคดจริงๆหรอก <c oughs> ก็มัววิตกกังวลอะไรอยู่นั่นแหละชีวิตวันๆไม่มีอะไรเลยวันๆไม่มีอะไรฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพระธรรมคาสอนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ฉะนั้นพระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาในเพื่อพวกเราจริงๆและตอนเนี้ยพระธรรมของพระศาสดาซึ่งเป็นธรรมะวรดกของพระศาสดาก็ยังฝังอยู่เราเดินมาเหยียบสถานที่ตัสลุพระศาสดาสถานที่แสดงธรรมสถานที่พระศาสดาทรงบริโภกและใช้สอยถ้าเราเก็บอริยทรัพย์ของพระศาสดาไปไม่ได้เกิดมามันเสียชาติเกิด ที่อุตสาหเหยียบมาพูนพื้นแผ่นดินของพระธรรมคตเจ้าที่มาสร้างบารมีเพื่อจะมาตัดสรู้แล้วก็เพื่อจะมาขนสัตว์หรือสัตว์เพื่อจะมาบอกทางที่ถูกต้องแต่เรากลับไม่เข้าใจเลยว่าจะพัฒนาชีวิตของเราเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่างไรเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องเนี่ยมันเสียชาติเกิดมันเสียชาติเกิดอุตสาห์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ อุสาได้เจอคําสอนของภาษาศาสนาอุตสาห์ได้มาเข้าเฝ้าสถานที่ประสูติตรัสรู้ปริญญานิพาน์ของภาษาสดาสถานที่ภาษาสดายังธรรมจักให้เป็นไปอยู่เนี่ยได้มาใช้กาเหยียบสัมผัส พ, พื้นแผ่นดินของพ่อที่สร้างบารมีมาเพื่อค้นสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเพื่อให้สิ่งที่ถูกต้องให้สิ่งที่ดีงามให้สิ่งที่ประเสริฐให้สิ่งที่เลิ่ที่สุดเนี่ย แต่เรามาแล้วเรากลับไม่ได้เรากลับจับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยเอาว่ามันเป็นสาระกลับไปอีกพระศ า, าสดาก็ผิดหวงังแทนที่จะได้อริยทรัพย์ของพระศ า, าสดาไปเป็นแนวทางในการขัดเกลาต่อไปเพราะสังสารวัตรในอนาคตยังเหลืออีกยาวไกลมาก สำหรับบุคคลผู้มืดบอดต่อปัญญาไม่เกิดฉะนั้นมนสิการให้ดีเข้าใจพุทธประสงค์ให้ชัดอย่ามัววิตกกังวลกับเรื่องอื่นให้เห็นว่าอะไรสำคัญที่สุดในกระแสชีวิตของแต่ละบุคคลอย่ามาจับสิ่งที่ไร้สาระอีกเลยภาษาสดาเตือนแล้วเตือนอีก ดูปัชิมโอวาดก็ไปดูมาแล้วว่าดูก่อนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังสิกขาสามก็คือจงทําศีลสมาธิปัญญาจงทํำทานศีลภาวนาจงทำศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาจงทําสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะ สัมมาวาจาสมากรรมตะสัมมาอาชีวสัมมาวาามาิมะสมาสติสัมมาสมาธิยงยังสติปัฏฐานเป็นต้นจนถึงมรรคแปดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดเนี่ยเข้าใจพุทธประสงค์อย่างพุทธประสงค์คือตรงนี้มองหน้าพ่อต้องรู้พุทธประสงค์ว่าพ่อหวังอะไรในตัวเราท่านทั้งหลาย จะไปมองว่าพระพักงามพระเนตรงามพระนาศิษงามพระโอทมนต์งามพระสรีระงามมากมันไม่ใช่พระาศาสดาบอกกับพระวักกะลีว่าจับชายกีวอร์พระาศาสดาอยู่ดูก่อนวกักกะลีเธอไม่ได้เห็นตถาโคตเสียแล้วไม่ได้เห็นแล้ว ก็ไปเห็นอิดไปเห็นดินไปเห็นทรายไม่ได้เห็นแล้วผู้ใดเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิและปัญญานะทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้นั่นแหละท่านบุญนั้นชื่อว่าเห็นเราเห็นตถาคตเห็นพระศาสดา หยิบวัตถุทานมาชิ้นหนึ่งแต่ไม่เห็นว่าพระศาสดาคือธรรมะมรดกคือเจตนารทานกลับไปเห็นแค่วัตถุทานเธอจะมาหวังอะไรในเราฟังไหมขัษาสุดท้ายอ่ะเธอจับมาหวังอะไรกับกะเลวละที่มันเน่ามันเหม็นเนี่ยมาหวังอะไรความเป็นไปต่างๆ ความคํำค่าของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยประดุดังเกวียนเก่าที่มันต้องซ่อมแซมในกรมือของอาจารย์เนี่ยไม่มีปิดบังซ่อนเลนอีกแล้วในกรมือของภาษาสดาไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วเปิดเผยบอกให้แจมแจ้งแล้วพวกเราไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยไม่มีมันจะไม่กังวลแล้วชีวิตน่ ที่ผ่านมาเพราะไม่เข้าใจไงพระศ า, าสดาหวังอะไรในเราท่านทั้งหลายตอนนี้โยมบุญยายเข้าใจอย่างว่าพระศ า, าสดาหวังอะไรที่เราเข้าใจอย่างหวังให้เราอย่ามัวเพิดเพลินอย่ามัวรุ่มหลงอย่ามัวห่วงที่มันไม่ใช่สาระอีกเลยจงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เสียแล้วกระแสะชีวิตของเราจะได้ไม่ตกต่ำจะได้ไม่เจ็บปวดในอายภผูเมื่อ จะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะได้ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่เราเห็นเต็มไปหมดเนี่ยจะได้ไม่ไปเกิดเป็นเปรตเที่ยวขอส่วนบุญน่นะจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานไงจะได้ไม่ไปเกิดเป็นคนบ้าใบบอนหนวงพิกลพิการไงจะได้ไม่ต้องทรมานเจ็บปวด ใหพัฒนาขัดเกลกระตุ้นเตือนตัวเองเสียเมื่อมาเฝ้าพระศาสดาต้องเกิดยานะสังเวคายานะสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยใหญ่ว่ามันรุมเล้าทั้งข้างหน้าและข้างหลังด้านข้างหมดเลยภัยมันมาเต็มหมดแล้วตอนนี้ภัยใหญ่คือเกิดมันยังก็ไม่พ้นภัยใหญ่คือความแก่ มันก็กําลังประสบกันอยู่ภัยใหญ่คือความเจ็บไข้มันก็ลังเบียดเบียนอยู่ภัยใหญ่คือความตายภัยใหญ่คือความโศกภัยใหญ่คือความล่ำลายลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความผิดหวังถ้าเราหวังตาหูจมูกลิ้นกายใจหวังลูกหวังหลานหวังบุตรหวังภรรยาว่าเขาจะได้ดิบได้ดีเขาจะเป็นจเจริญในหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานหวังอริยะหวังทรัพสมบัติ หวังสถานะทางสังคมหวังให้คนยอมรับเนี่ยมันจะเป็นนำมาด้วยความผิดหวังหมดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะประสบกับความทุกข์ความตรอมใจที่สุดจริงๆจะเป็นคนแก่คนหนึ่งเนี่ยนั่งหลงเพ้อเจอไปวันๆบอกอัตถะของลูกหลานเราลูกหลานก็อ่านอัตถะเนื้อความที่แท้จริงของปู่ย่าตายายไม่ออกว่าเขาบอกว่าเออ แต่ก่อนฉันก็เป็นอย่างคุณนั่นแหละแต่ตอนนี้ฉันเพราะโทษของฉันไม่ฟังพระธรรมของพระศ า, าสดาให้เข้าใจฉันจึงมาเป็นคนแก่ที่หน้าการุนาต้องมาไอต้องมาหลงห ล, ลงลืมลืมมาเฝ้าพระศ า, าสดาเหยียบพื้นแผ่นดินของพระศ า, าสดาดีฉันหรือผมก็ไม่เข้าใจเลยอะไม่รู้เขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้ ผมก็เข้าใจไปอีกอย่างพระศาสดาบอกให้ไปทางนี้ผมก็ไปอีกทางนี้เพราะผมไม่เข้าใจพอดีฉันไม่เข้าใจแต่ท่านอย่าประมาทนะแต่ก่อนสติปัญญาของดิฉันก็เป็นเหมือนพวกคุณนั่นแหละแต่ตอนนั้นดิฉันประมาทไม่เชื่อพระศาสดาตอนนี้พวกคุณยังฟังได้รีบฟังเสียพราคุณยังไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นเน่ มันก็จะอ่านอัดถะไม่ออกเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเราต้องการเป็นคนนั้นเลยต้องการไปเป็นคนนั้นใช่ั้มถามดิถ้าไม่ต้องการก็รีบพัฒนายกระดับชีวิตเสียเดินตามรอยบาทภาศาสดาให้ถูกต้องให้ดีให้เหมาะสมอย่าให้ราคาโทรศัพท์ห่มันมาเป็นนายสั่งการบงการเราอีกเลย มันเจ็บปวดที่ผ่านมาเราไปหวังกับลูกเราไปหวังกับทรับเราไปหวังกับเจ้านายแล้วก็หวังกับลูกน้องว่าเขาจะทําสิ่งดีๆให้กับเราความหวังที่ไปตั้งไว้น่ะเตรียมตัวผิดหวังเถอแล้วไปหวังกับวัตถุกรรมไปหวังกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปหวังกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปหวังสิ่งที่มันไม่ใช่เป็น ตัวเป็นตนที่เราจะไปบงการจะไปบังคับบัญชาได้แล้วถูกกิเลสเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของเราเนะี่มันหลอกแล้วมันบงการเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้ตั้งท่าทีให้ถูกวิจัยให้ถูกคิดให้เป็นแล้วเราจะได้พัฒนากระแสะชีวิตของเราเนี่ย เริ่มก้าวแรกถูกเสียทีนี่ที่อามาแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยแนะนําเพื่อให้ก้าวแรกได้ถูกเพื่อติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกถ้ามันผิดน่ยก็ปลดออกก่อนแล้วค่อยติดให้มันถูกแล้วก็เริ่มเม็ดที่สองเม็ดที่สามอย่างระมัดระวังก้าวแรกให้มันถูกหันหน้าให้ตรงทิศให้ตรงมัชชิมาปฏิปทา อย่าไปก้าวผิดมันเสียเวลามานานแล้วในสังสารวัฏเนี่ยก้าวผิดเดินผิดแล้วก็กระเสือกกระสนเงินไหมอยู่เนี่ยเพราะมันไม่เข้าใจทางเพราะมันไม่เห็นทางเพราะมันไม่ฉลาดในทางพระาศาสดาชี้ทางนี้เราก็ไผ่ไปเดินอีกทางหนึ่งพระาศาสดาชี้ทางนี้ชี้บอกทานนกะุศลเป็นอย่างนี้ศีลกุศลเป็นอย่างนี้ภาวนากุศลเป็นอย่างนี้ ศรัทธาที่แท้จริงเป็นอย่างนี้วิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอย่างนี้เราก็ไปจับผิดที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ไงผ่านมาแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านนาณาถาบินทิกาล่ะทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านนาวิสาขามหาวสิกาทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านวิสาขะที่เป็นผ้านาคาทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านอุบาลีข้ารคดีซึ่งเป็นอุบาโของภาาสดา ทำไมเราไม่เป็นอย่าง น, า ก, านากุลปีตากลางคำพูดดีหรือนกุลปีตากลางคำพูดดีทำไมเราไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เลิศอย่างนั้นแะแต่ทำไมมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาบางทีก็เรียกอุบาสกอุบาสิกาจันทานจนจนอริยทรัพย์จนศรัทธาจนศีลจนสุตตะไม่น้อมอยาฟังให้ถูกต้อง จนความละอายต่อบาปจนความเกรงกลัวต่อบาปจนจาคาดไม่คิดสละอะไรเลยเหรอเห็นอะไรก็ยึดหมดยึดหมดจนปัญญาแล้วก็เป็นแค่อุบาสกอุบาสิกาจันทานเนี่ยแต่ดูเหมือนมีฐานะใช่ไหมทางสังคมใช่ไมมแต่สถานะทางด้านกะระแสชีวิตก็คือจันทานในาศาสนาของพระคินาเจ้าคือผู้ยากจนผู้ยากไร้ ยากไร้ที่เพราะเราจะต้องไปเจ็บปวดในสังสารวัตไอ้ที่เรารวยเรามีฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยมันพบเดียวชาติเดียวเนอะถ้ามันถูกเนะี่ยถ้าผิดพลาดเนี่ยเรามันวิบัติหมดเลยเนะนี่นั่งกันอยู่ทั้งหมดเนะี่ยสถานะพระที่ได้มันก็วิบัติเนี่ยให้ท่านมาหาได้นี่ยนะมันได้พบนี้แบกจีวรไปพบหน้าได้ที่ไหนไม่ได้หรอกความเป็นอุบาสกบาสิกาจะแบกไปพบหน้าได้ที่ไหนลนะ่ะ มันไม่ได้